และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบ ก, กับพุทธานุสติกรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็วขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกลองใดกองหนึ่งก็ตาม จงใช้กองนั้นให้ถึงอารหัตถผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดจงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอารหัตถผลหรือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราทราบไว้แต่เพียงเท่านี้ การสร้างพลาชที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูข้าวื่อพ ร, าพาร้างพลาดในที่นี้ราะว่าเราใช้เวลามากแต่ด้ ว, ว่าผลแื่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้ก็ขายความเข้มแข็งของจิตถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจัง จักแต่เวทธรรมจักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลงก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทําจิตให้เบาบางจากกิเลสได้ เอตีมาอย่างเดียวก็คือขาดความเอาจริงเอาจังจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติมรรมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอิีิบาทสี่ฟังแล้วก็วางไว้พมีหานสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับความดีได้ เราว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ฉะนั้นดังว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs>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 ดังนันถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอนะไรหนักสำหรับท่านที่มีรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลสจองอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธพาสิตไปว่าอัตนาจโจทยยัตานาัง จงเตือนตนได้ตนเองก็ลาวโทษโจทย์ความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องสแสวงหาความผิดเขาตนเองก็ลาวโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อน จาหาความเร็วในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้น ค, นคว้าหาความเร็วในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดเรว่ายกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อนถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าของคนอื่น เราไม่ติดในทรัพย์สิสนนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกประจากที่ไหนอันดีสุดเราก็ไม่ยกโทษให้ใจใจของเราว่าใจเรามันเร็วใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากจะใช้เวลาไม่นาน กำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมอสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่กองไม้มศีมาพรแติคราวนั้นองค์สมเด็จพระกวันทรงตั้งอาดีฐานจิตว่าเลือดจะเนื้อกเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินซีก็เราจะสลายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สมเร็จประส ม, มาสัมโพธิญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากทีน่นี้ความจริงน้ำประทยเของค์สมเด็จปัินาสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วยอย่าทำตนเป็นอภัพพะบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐาน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 แต่ด้วยความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านเขาสมถภาวนาก็ได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันต์ภายในสามวันนับแต่บปรดแล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันต์เสียแล้ว ค่อยคำใดๆที่เป็นคําสอนคําสอนขอให้ถือว่าเป็นคําสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัพุทธเจ้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจ้าความเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปั๊บรู้จักยินชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอริยเจ้า หากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องรายการเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อดึกความเพื่อความดับไม่มีเชื้อมาพูดกันถึงด้านอนาปานสติกรรมฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัต อาสายที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาสายที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อนอาสายที่เราไม่ได้ใช้สติสมัชย์ยะควบคุมกาลังใจอารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่ององสมเด็จพระบรมโลกงปูเชิด แล้นาให้เราใช้อนาปานุสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันได้ยับยั้งหรือว่าประหัตประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตามจะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว่าจะเจริญวิปัสสนากองใดก็ตามเป็นอันว่า ส่วนนันน้นๆกรราฐานกองนันน้นๆจะเว้นอน า, นาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทําอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงชา้นสี่เอาเอกันจริงกันจังอย่าสักแต่ว่าทําความกลุ้มไม่เยอเกิดนนิดหน่อยเพราอว่าใหม่ๆเขาจะควบคุมกําลังใจให้มันทรงอยู่ ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดป่นเปลี่ย น, นดึกว่อนนอฤทธ์น อ, อรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบาังเอิญเราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอ น, นุพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสอนาที จิตนี้ม่นเกิดอารมณ์พลันแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอนอ๋อนี่ใจเราออกนอกโลกไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันปปานเดียวหนึ่งมันก็ไป มันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยิงคาสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวันที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี่อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่เดนอยูย่ใช้เวลาเป็นปกติ คำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ ล, ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขาดจะเพราะภาวนาเท่านั้นาการกาหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจริงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยาก มันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทํา ง, งานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเขาออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทําเวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเขาออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านหลายมีความเข้มแข็ง ข, ของจิต ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงจริงาการของอารมณมานาปานุสติกรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงชาญไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานเริ่มนาฏพุทธานุสติกรมมทานหรือว่านาปานุสติกรมมทานในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ก็นาปานุสติกรมมทานแต่ถ้าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ใ, ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ฝากมันต้องปูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อานาปานุสติกรรมฐานอานาปานุสติกรรมฐานจะทําให้ท่านสบายใจมีความสุข ยองอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากําหนดรู้อนาปานุสติกรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานนี่เสียเลย ผมก็ท้อตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเราว่าอนนาปานุสติกรมทานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสมัจัญาขณาที่เราจะคิดงานก็วางอนนาปานุสติกรมทานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจารณา แต่ความจริงคนที่เขกล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอาณาปานุสติกรมธันเพราะว่าขณะที่จับอาณาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วระจารสมาธิตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิศเมื่ออารมณ์จิตเป็นทิศปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทํามันจะมีอะไรยาก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 เนื่อตั้งจิตได้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี่จะไม่มยอมให้จิตของเราแลบไปสัวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีแหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิทธ์ได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิทในระยะใหม่ๆแค่สิทิต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็เราก็ต้องนำน้ำใจเขา อ, องสมเด็จไปจอมตรายมาใช้ว่าแค่สิธต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่า เลือดเรือนเนื้เราจะเกิดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเตี้ยสี่จะตายก็ตามถ้าเราไม่สําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่รักจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่าหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิดร่างนิดเติมตั้งตนใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบอย่างนี้เป็นจุดหนึ่ง แต่มื่นานๆไปถึงครึ่งเดือนแล้ว่ว้ายังท่านยังทำแค่สิทผมก็ถือว่าเร็วเกินไปสาหรับภากาสาวพัทหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิอองที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านัาหลายอย่างรักษาอรมเ์ทั้งสิทก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้มันเร็วเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนา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 บางทีสองร้อยสามร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้มันคร่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอ้ความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในอารมณ์ต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความเพียรบาดเป็นก็ไม่เกิดความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายัางไงเพราะจิตมีสภาพรั บ, รบอารมณ์อารมณ์เดียว ในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรมฐานเมื่ออะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟังดีไม่ดีกำลังสอนในอย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสบ้างไปนั่งคุยกันเสบ้าง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 คนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคุยความขยันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่ า, างานที่ทำนี่มันเป็นอาวิสตูชา การตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งเจ้ารหงวันมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นาการขาุสติธรรมเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานนังเรียกว่าการถ ว, วายชีวิตแต่องค์สมเด็จตัสงมาสมพรยเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าพุทธการเป็นอย่างนี้ที่ผู้อย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คน เอ่ดูน้ำใจของเขาว่าเขาทางานเนี่ยก็ทําเพื่อตัวหรือว่าเขาทาเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไหร่ให้รางวัลเท่าไหร่เขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจการทําอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติตัวชาตรในพระพุทธเจ้าเราทำในทรัพย์สินก็งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนยเขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐา น, นเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตตามหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำสำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผันเปลี่ยนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิต่างจริง ทำมังชีวิตต่างสังคังชีวิตต่างจริงเหมือนกันด้วยยอมฟรีความสุขส่วนตัวทำมารักษาทรัพย์สินของศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเคสของการจงกรมอย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติ ความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพ์สนินของพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงความกตัญญูในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองใช้โอกาสใช้สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ชาญนเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ ก็ขอแนะนําท่านไม่สนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมธานกับพุทธานุสติกรมธานคว่คู่กันไปแต่วางานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กําลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวทีว่าทําไม่ได้ให้มันตายไป พระอรหันต์นั่งหลายที่ท่านบังลุมากคลท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเราสองมืสิบนิ้วมือนะห้า 20, นิ้วมียการสามทิสองเหมือนเราถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไม่แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเพาออย่างยิ่งเวลานอน ก่อนยันนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับบริการลมให้ใจเขาออกเต้นขึ้นมาใหม่ๆจะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกไปตามเวลาเช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะต่เห็นบางท่านที่ฝุ่นๆโฟโล่นะ เป็นอันว่ารู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน้าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรกเราจะประหมายจะเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สิกไปมันก็หมดเรื่องเธอไหวก็เหมือนกันเห็นว่าเระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่อง เดี๋มาอยู่ให้เปลืองที่เขาไม่ศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากําลังใจเท่านี้ยังถือว่าลําบากมันก็ควรแล้วที่จะต้องไปล่าครองทํางานให้มันสบายตามอธิยาสายของตนอีกการพูดอย่างนี้เจตวะด่าใครไม่ใช่ก็ต้องการให้ดีรักษากําลังใจนะมันเสียอะไรบ้าง เวลาเดินไปวินับาตรก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออกทำมันไปจงกว่าจะวินับาตจะกลับแค่นี้จิตไม่ก็ทรงชานแบบสบายสบายอย่าไปหาเวลาที่ไหน ในเรื่องผิดปรารอบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบวชมาเพื่อ น, นิพพานในสะัจจิกริยายะเอตังกาสาวังค์หิตวาเราอธิษฐานมาขอรักผ้ากาสาวัดเพื่อทำให้แก้เสียงพนิพพานฉะนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพนิพพานเราต้องทำให้ได้ เราต้องชนะใจอย่าลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทํา ม, มันไปทุกวันมันต้องถึงคําว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายามชาวนานเนี่ยก็ไถนานได้ควายตัวเดียวไถทันเดียวน้าที่สามสิบสี่สิบไร่เขาทําได้เพราะว่าเขาใช้รอยไถ น, น้อยแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุด ข้อนี้มีประมาชันใดแม้ดานาปานุสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันจะกุมมายากับแตการใดก็ตามทีเราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทํายอมตายไปซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปานุสติ เดินไปก็ใช้เท้าไปเข้วัดก้าวไปเ้าายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอาไว้ยังเงี้ยเรื่อยๆไปอย่าไปนั่งไม่ไปนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌานแนนาป า, า, านรุสติจมาถฐานเป็นของท่าน สำหรับที่จิตใจของท่านหลายลเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นชานไหนก็ตามชาญก็ดีอปปจาระชาญก็ดีใจของท่านนัาไลเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตไม่รมแนบสนิทในด้านแนบสนิทในด้านของกุศลการจะทำการจะพูดการจะคิดก็แต่ละบุคคลเต็มไปด้วย อารมณ์ที่เยเือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภัไม่เดือดร้อไนไดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเราเราสําหรับวันนี้ก็ขอตรึงกันไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของชาย ในขณะที่ท่านนันไลยเอาจิตของทก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานแล้วก็จะรู้ว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผลจะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จปทสกพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติคนทำไมเข้าถึงอรหันต์ได้ถูกจุกอะไรต่อที่นี่ไปขามันดาท่านนังไลย